บุระารัสมิงพระธรรมเมตังบุระารัสมิงพระสังขานังทุกขรวพระพยางวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะ สเสนียดจันายวิวันชัยเยสศภาทักษังพภะลาพังพระวันดุเมรักขันตุสุรักขันตุอาภรเนรัศมี อาคันเนรัสมิพระธรรมเมตังอาคันเนรัสมิพระสังฆานังทุกขโรพระพยังวิวันชัยเยสะพะทุกสะพะโกสะพะโรคสะพะภัยสพระเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสพะพะธาตัง สัพพลาพังทวันตุเมรักขันตุสุรักขัน นางทักสินรักสมิงพระธรรมเมตังทักสินรักสมิงพระสังขานางทุกขโรค้พยังวิวันชัยเยสภพาทุสสะพโสุกสะพโรคกสะ พ, พ, พัยสะ พ, พระคร้อสเสนีย์จันไรวิวันชัยเยสาพักทนาัง สัพพลาพังภวันตุเมประขันตุสุรักันตุโหรดี狱รัศมิงพระพุทธคุณังโหรดี狱รัษมิงพระธรรมเมตังโหระี狱รัษมิง สังขารนางทุกข์รัวข้พยังวิวรรณชัยเยสาผะทุกสะพะโกสะพะโรคสะพะภัยสพะพะเคราะห์สเสนียดจันไรวิวรรณชัยเยสาภักข์นางสพะพะราพังพระวันตุเมประคันตุสุรัตน รัศมิพระพุทธคุณนางปัดจิมรัศมิพระธรรมเมตต์งังปัดจิมรัศมิงพระสังฆานังทุกขโรขปยังวิวันชัยเยสัพภทุกขสัพภโกสัพภ โ, โรคสัพภภัพพพยสัพภคร้อสี่เดียดจันไรวิวันชัยเย สภทกนงะะังสภลาพังพระวันดุเประกันดุสุรักขันดุพายาปราสาหิงพระพุทธคุณนังพายัพราศาหิง พระธรรมเมตตาตงพายัพพระศมิงพระสังฆานังทุกขโรขภัยยังวิวันชัยเยสะพะทุกสะพะโกสะพะโรคสระพะภัยสะพะคร้อสนันเหจันไรวิวันชัยเจสะพักท่านังสะพักาพังพระวัน ขันตุสุรักขันตุปุรอนราชมิงพระพุทธคุณตังปุรอนราชมิงพระธรรมเมตัง รักเสวิงพระสังขานางังทุกขโรพระปยังวิวันชัยเยสัพพทุสัพสกสั พ, ร โ, สพรโรคสัพภัยสัพเคราะห์สนเนียดจันไรวิวันชัยเยสัพะทะนานังสัพลาพังพระวันดูเบ รัศมิพระธรรมเมตังเบียสารรัศมิงพระสังฆานังทุกขโรคาพยังวิวันชัยเยสพทุกสพโศกสสพรโรคสัพภัยสพรครอ้อสเนียดจันไรวิวันชัยเยสพะคาณังสัพลาพัง พวันตุเมพระขันตุสุรักคันตุปัทวีรัศมิพระพุทธคุณนางปัทวีรัศมิพระธรรมเมตังปัทวีราชมิพระสังฆานางัง วัวข้าพยังวิวันชัยเยศภาทุศภาโสศภพรโรคศภาภัยศภาคร้อสเสนียดจันไรวิวันชัยเยสภาทักนางศภาลาพังพระ ประกาศสวิพระธรรมเมตังอากาศประกาศสวิพระสำคัญนางภูคารวะพยังวิปัญชัยเยสาพาทุก สัพพะโสสัพพะโรคสัพพะภัยสัพระเคราะห์สเนียดดันไรวิวันชัยเย็สัพพะทารังสัพพะลาพังพระวันตุเมรัรกขันตูสุรักคัน